วิปัสสนากับสมถะเนี่ยนะอุปการะกันโดยเฉพาะวิปัสสนาที่มีกําลังในีช่วยอุปการะแก่สมาบัติเปรียบเหมือนอย่างว่าชนทั้งหลายย่อมทําเรือให้เป็นไปในทางบกสินค้าเรือบ้างเออกรรเรือหรือสินค้าทางเรือถ้าอยู่บนบกต้องเป็นภาระของอะไรของเกวีย น, นนะคือเรือนี่ปกติเรือนี่ต้องแล่นในน้ําสินค้าบนเรือก็ต้องอยู่ในน้ําแต่เนื่องจากว่า ตอนนั้นอะ่ะช่วงขนสินค้าจากบกไปหาเรือเนี่ยไปหาท่าน้ำเนี่ยตอนแรกต้องอาศัยเกวียนก่อนแต่ถึงน้ําแล้วย่อมทําเกวียนและสินค้าในเกวียนมารวมทั้งโคให้เป็นภาระของเรือนะตอนแรกเนี่ยเรือพึ่งเกวียนตอนหลังเนี่เกวียนพึ่งเรือเรือก็ตัดกระแสทางขวางแล่นไปสู่ท่าโดยสวัสดีฉันใดวิปัสสนาก็เปรียบเหมือนเรือเนี่ยนะอาศัยสมาบัต ย่อมเป็นไปแม้โดยแท้เมื่อวิปัสสนามีกําลังย่อมรักษาแม้สมาบัติทําสมาบัติทําให้เกิดกําลังฉะนั้นเหมือนกันเบื้องต้นเนี่ยวิปัสนาทั้งหลายเนี่อสายสมาบัติก่อนถ้าสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยพิจารณาอะไรก็ยากพิจารณาปั๊บมัน ก, ก็กระเด่งกระดอนไปเรื่องอะไรแล้วก็ไม่รู้เลยต้องจําเป็นต้องอาศัยสมาธิเพราะสมาธิมีกําลังขึ้นเท่าใดก็เจริญวิปัสนาทีนี้พอวิปัสนาเนี่ยเจริญมากขึ้นก็อาศัยสมาธิสลับกันไปสลับกันมา คุณภาพของวิปัสนาเป็นตัวพัฒนาสมาธินะทำให้สมาธิมั่นคงและแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นสมาบัติจึงเปรียบเหมือนเกวียนที่ถึงบกวิปัสนาเหมือนกับเรือที่ถึงน้ำสมถะก็เหมือนเกวียนอยู่บนบกวิปัสนาเหมือนเรืออยู่ในน้ำเนี่ยนะการเวลาอาศัยสมาบัติแล้วตั้งวิปัสนาของพระโพธิสัตว์ท่านแสดงแล้วด้วยประการเท่านี้ด้วยประการอย่างนี้เนี่ยนะ มันสมถะและวิปัสสนาก็เป็นไปสืบเนื่องกันไปสลับกันไปเนี่ยนะเจริญอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ใช่น้อยๆนยนะีใช้เวลาจํานวนมากเนี่ยนะอย่าคิดว่าท่านเจริญสมถะวิปัสสนาเฉพาะคืนสุดท้ายที่จะตรัสรู้ว่าก่อนหน้านั้นท่านเจริญเยอะแล้วเนี่ยนะตอนที่เราว่าบําเพ็ญเพียร6กปีอะท่านคิดอะไรก็คือคิดการเจริญสมถะและวิปัสสนาการเจริญอินทรีย์เจริญพระเจริญโพชฌงเจริญองค์มรรแต่ว่าเนื่องจากรวบรวมคุณธรรมยังไม่เพียบพร้อมเต็มบริบูรณ์เนี่ยนะ ในต่อไปอีกว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปในด้านวิตกข้างนั้นนั้นคือคิดเรื่องอะไรมากก็จะชํานาญในเรื่องนั้นมากดูก่อนพิสูทั้งหลายคือถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงเนคขมะวิตกมากเธอก็จะละกามวิตกเสียได้ ทำเนคขมมะวิตตกอย่างเดียวนั่นแหละให้มากจิตของเธอก็ย่อมน้อมไปเพื่อเนคขมมะวิตกครเรียกว่าคือเราคิดง่ายๆเหมือนอย่างเราแบบนึกอยากจะไปไหนบ่อยๆเนี่ย น, นะนึกแล้วนึกอีกนึกแล้วอยากอกอยากไปอยากไปอยากไปในที่สุดก็ก็ไปตามนั้นแหละก็เป็นไปตามนึกนั่นแหละการเจริญสมถวิปัสสนาก็เหมือนกันมันก็เป็นไปตามใจที่เรานึกนั่นแหละ คือนึกจะให้มันเป็นอะไรมันก็ไปทางนั้นะนะนึกทางดีใจมันก็ไปดีนึกการชั่วใจมันก็ไปชั่วถ้านึกไปทางเนคขมมะใจมันก็น้อมไปในทางเนคขมมะดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอัพยาบาศวิตกให้มากเธอก็จะละอภยาบาทวิตกเสียได้ทําอัพยาบาศวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อ อ, อัพยาบาศวิตตกนะ่นนะ วิตกเหล่านั้นก็เจริญงอกงามเพราะชำนาญเน่ยนะอย่างผู้ใดที่ซ่องเสพวิปัสสนามากๆนี่เห็นอะไรมันก็น้อมไปเพื่อพิจารณาโดยวิปั ส, สนาเนี่ยนะน้อมไปเพื่อโดยวิปั ส, สนาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวิตกสามเนี่ยเป็นคําพูดที่เป็นทั้งสมถะและวิปั ส, สนาให้ทั้งสมถะและวิปั ส, สนานั้นควบคู่กันเป็นไปด้วยด้วยดีน่ยนะดูความพิสูจ์ทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอวิหิงสาวิตกมาก เธอก็จะละวิหิงสาววิตกนั้นเสียได้ทำอวิหิงสาววิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็ย่อมน้อมไปเพื่ออวิหิงสาววิตกดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเหมือนเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนคนเลี้ยงโคจะต้องรักษาโคทั้งหลายในที่ใกล้บ้านในทุกด้านเมื่อเข้าไปสู่โคนต้นไม้หรือไปสู่ที่แจ้ง จะต้องทำสติอยู่เสมอว่านั่นฝูงโคของเราดังนี้คือบางทีเนี่ยอย่างเช่นไปถับปล่อยโคกําลังกินหญ้าในท้องทุ่งเนี่ยก็พอดูไม่มีอะไรก็นั่งทาสติเออเนี่ยโคของเรากําลังกินหญ้าไป ก, ก็ใส่ใจไว้ บ, บ่อยๆว่าโคกําลังกินหญ้านะต้องคอยเลยว่ามันมีอยู่จํานวนเท่าใดมันมีการเปลี่ยนแปลง เ, เราใดเกิดขึ้นบ้างก็มีการสํารวจตรวจสอบตลอดเวลาฉัน้นใดดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายเรานั้นแลก็เหมือนกันฉันนั้น ทำสติอยู่เสมอเลยและ ว, ว่านี้ธรรมะคือสมถะและวิปัสสนาธรรมะตัวนั้นเป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนาในหน้า230ยอยา่อหน้าข้างล่างบอกว่าสติกรณียเมวะโหติกิตกิตมีแต่ศักดิ์แต่ว่าทาสติให้เกิดขึ้นว่าเหล่านี้โคดังนั้นเทียวคือกิตมีการไปข้างโนนข้างนี้แล้วตีไม่มีหมายความว่า เมื่อโคกินห ญ, ญ้าในท้องทุ่งที่ตัวเองประสงค์ก็นั่งดูโคกินห ญ, ญ้าอย่างเดียวอนนไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปคว้นควายเดี๋ยวโคมันก็กินห ญ, ญ้าของมันไปเองนั่นแหละฉันใดกิจสักว่าทําสติให้เกิดขึ้นว่านั่นแหละธรรมะคือสมถะเละวิปัสนาสมถะธรรมและวิปัสนาธรรมนั่นเทียวเป็นกิจที่พึงทากาลแห่งสมถะและวิปัสนาของพระโพธิสัตว์เกิดกําลังเรียกว่าเป็นพลวะสมถะพลวะ วิปั ส, สนาทั้งสมถะวิปั ส, สนาที่เป็นไปได้ด้วยดีไม่ต้องประครับประคองแล้วก็ไม่ต้องข่มไม่ต้องไปคอยประคองไม่ต้องไปคอยข่มไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยนะก็เหมือนอะารคนที่ขับรถเนี่ยนะเมื่อรถเป็นไปได้อย่างหมายความว่าถนนระดับนี้วิ่งระดับนี้พอเหมาะสมไม่ต้องทาอะไรไหม αι? ต้องนั่งบิดพวงมาลัยเล่นไหมหมุนพวงมาลัยเล่นวันละสามตลอเอารอบเป็นต้นเนี่ยนะ มนตกทอนนอนแค่นั้นเนี่นะมันก็ต้องประคับประคองก็นั่งประคองทําสติว่าตอนเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะได้ยินว่าในกาลนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ประทับนั่งเพื่อประโยชน์แก่สมาบัติและอัปปนาในสมาบัติแปดก็มาสู่ทางแห่งการระลึกอย่างเดียวพระองค์ทรงตั้งวิปัสสนา ประทับนั่งแล้วก็ยกขึ้นสู่อนุปัสนาทั้ง7โดยขณะเดียวกันนั่นเองคือทุกอย่างสมถะก็ชำนานเนี่ยนะเข้าปฐมฌานพุทิยาฌานตัติยาฌานก็พรื๊บชำนาคล่องมากเลย นะเข้าฌานนี้ออกฌานนั้นสลับกันไปหรือเจริญวิปัสนาอนุปัสนา7ก็ช <c oughs> ํานาญหรือเจริญสมถะวิปัสนาออกจากปฐมฌานเข้าวิปัสนาออกจากวิปัสนาเข้าทุติยะฌานออกจากทุติยะฌานเจริญวิปัสนาออกจากวิปัสนาเจริญเข้าตัติยะฌานออกจากตติยะฌานเจริญวิปัสนาออกจากวิปัสนาเจริญจตุทชานก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ชํานาญและคล่องแคล่วนะที่ไหนมันน่าจะบรรลุได้อยู่แล้วนะ ม่น่าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้อยู่แล้วเพราะทำได้ขนาดนั้นนันทีนี้ก็มาขึ้นข้อใหม่ น, นนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายในข้อ253อหาน้า2อดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราได้ปรารบความเพียรมีความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติมั่นคงไม่เลอะเลือนแล้วมีกายสงบไม่กระสับกระส่าย มีจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นเอกคตาเป็นอันเดียวเนี่ยนะคือเอกคตาเนี่ยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรานั้นแลสงัดจากกามสงังหจากอากุสุลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารณ์มีปีติสุขเกิดจากสมาธิอยู่หรือเกิดจากวิเวกอยู่อันนี้อันนี้ยกข้อความรวบรัดไปเลยวันคืนวันเพนเดือน6กเนี่ยนะรัดไปที่วันเพน เดือน6เลยว่าวันเพ็ญเดือนหนั้นพระองค์เข้าอานาปะเจริญอานาปานาสติแล้วเข้าปฐมฌานเนี่ยนะที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเกิดจากวิเวกอยู่บัรลุทุติยะฌานมีความพองใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌาน บรรลุตติยชฌานหน้าในหน้าหนบอกว่าอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนา ม, มากายเนี่ยนะเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยชฌานที่พระเรียเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเนี่ยนะหลังจากนั้นก็บรรลุจตุทัชฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัตโทมณัติก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ก็เข้าฌานสี่ตรงนี้ใช้คําว่าปฐมฌานทุติยฌาน ต, ตัตยฌานจตุทฌานจตุทฌานนั้นรวมทั้งอรูปฌานอยู่ด้วยในตัวเนี่ยนะรวมทั้งรูปฌานและอรูปฌานเพราะฉะนั้นจิตของพระองค์ก็ถือว่าเป็นฌานที่เรียกว่าเป็นจิตเป็นจิตที่เป็นสมาธิ เป็นสมาธิหลายระดับขั้นตอนมากเป็นจิตที่บริสุทธิ์จริงๆเป็นจิตที่ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเขาเรียกว่าเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยองค์8องค์8ดคืออะไรบ้างหนึ่งสมาธิสองบริสุทธิ์สามผ่องแผ้วสไม่มีกิเลสหปราศจากอุปกิเลส6เป็นธรรมชาติอ่อน เจ็ดควรแก่การงานแปดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเห็นไหมแปลว่าเป็นจิตที่คู่ควรที่จะเป็นบาตรของการเจริญจิตเหล่านี้เนี่ยนะมันมีบาตรแห่งอภิน ญ, ญากับบาตรของวิปัสสนาตรงนี้พระ อ, องค์บอกว่าเอาจิตที่เป็นรูปฌปานอารูปฌปานที่ประกอบไปด้วย อ, องค์แปดคือ บริสุทธิ์พองแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้น้อมไปเพื่อผิญญาเจริญปุบเพนิวาสานุสติยานข้าวันน้อมจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นแหละไปเพื่อปุบเพนิวาสานุสติยานย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากนีน ะ, น ะ, นะระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากระลึกเทร่ พระองค์ตถาคตย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติบ้างนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติระลึกชาติไปอีกตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากตลอดสังวัตกับวิวัตกับบ้างว่าในภพโนน่ะเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นเนี่ยนะอดีตชาติเนี่ยมีชื่ออย่างไร มีโคดมีนามสกุลอย่างไรเนี่ยนะมีผิวพรรณรูปร่างอย่างไรบริโภคอาหารอย่างไรเนี่ยกินโรตีจปตีอะไรก็ว่าไปหรือพิซซ่าหรือมาาัคโรนีหรือว่าข้าวเหนียวข้าวุงข้าวเจ้าข้าวสวยข้าวอะไรก็ว่ากันไปแบบปั้นหรือไม่ปั้นใช้ช้อนใช้ซอมหรือใช้มือเปิบก็ว่ากันไปเนี่ยนะมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นเนี่ยนะเจ็บปวดแสนสาหัสหรือว่ามีความสุขอย่างลึกซึ้งอย่างนั้นนะแต่ กำหนดอายุเท่านั้นอายุน้อยเท่ายุงหรือว่าอายุยาวเท่าพรมก็ว่ากันไปนะนะมีอายุเพิ่งเพียงนั้นจุติจากชาตินั้นแล้วไปบังเกิดในภพนู้นมันหนึ่งชาตินี่แหมมันเหมือนกับความฝันน่นะหนึ่งชาติก็เหมือนกับวันวันเดียวน่นะ แวบเดียวแวบเดียวเดียวก็หมดชาติตายจากชาตินั้ them, นก็ไปเกิดในชาติโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีนามส ก, กุลอย่างนั้นมีผิวพันธุ์มีอาหารสเสวยสุขสเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นกําหนดอายุเพียงนั้นตายจากชาตินั้นเรามาเกิดในคือสรุปสรุปว่าจนมาถึงชาตินี้ว่างั้นน่ยก็สรุปว่าระลึกชาติได้เป็นอันมากอย่า ง, งนี้ น, นะพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทนรายละเอียดของการระลึกชาติของตัวพระองค์เองและ เกี่ยวกับการระลึกชาติของบุคคลอื่นโดยนัยยะต่างๆแล้วก็โดยประการต่างๆรอบรู้เกี่ยวกับการระลึกชาติของสัสตว์ทั้งหลายเนี่ย น, นี่ต่อไปเรานั้นดูก่อนพิสูนทั้งหลายวิชาที่หนึ่งนี่แหละเราได้บรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรีอ้เรียกว่าตลอดจะใช้เวลาระลึกจนถึงสี่ทุ่มมันน เรากำจัดอวิชาที่ปกปิดอดีตได้เสร็จสิ้นแล้วเรียกว่าปกปิดอวิชาอาวิชาเนี่ยปกปิดไม่ให้รู้ขันทาศรายตนะที่เป็นอดีตใช่ไหมทําให้เราลึกได้อดีตทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่แบบแม้มันนั่งแล้วแหมลึกอะไรไม่ได้เลยจําอะไรไม่ได้เธอมาจากไหนบอกไม่รู้ไม่รู้ซากอย่างเนี่ยก่อนหน้านี้เธอเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนอายุเท่าไหร่ถ้าตอบไม่ได้อย่างนี้มันก็สาหัสเหมือนกันนะอดีตชาตินี่แหมมันมืดไปอย่างนั้นเลยนะแต่พระองค์เนี่ยสว่างขึ้นแล้วหาย องุนงงหายสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตทั้งมวลโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นกำจัดอวิชชาที่ปกปิดทำให้ลุ่มหลงในอดีตวิชาคือแสงความรู้เนี่ยได้บังเกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียแล้วแสงสว่างก็บังเกิดขึ้นก็เพราะเราไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีตนส่งไปอยู่ฉะนั้น